นะโมตัสสะบรคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะบรคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะบรควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส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 พุทธยาน14เวณิกธรรม18ทศพลยานสิเวสารัชยานสอสสาธา ร, รณญาห6มีสัพพัญยุตยานเป็นต้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 เพื่อจะได้ตระหนักนึกถึงคุณของพระาศาสดาซึ่งมีแก่ข้าพเจ้าจนหาประมาณมิได้ข้าพระเจ้าได้มาพบพระธรรมของพระาศาสดานับว่าเป็นบุญยราภของข้าพเจ้าอันประเสริฐอย่างยิ่ง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 ปัญญาที่มั่นคงเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระศาสดาให้ได้วันนี้ข้าพเจ้าได้นำขันธพาละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนเหล่านี้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 ตามที่พระบรมศา ส, สดาทรงประกาศไว้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าถวายสการะบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอันนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพระเจ้าได้ครบกรลยานามิตร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 สาธุสาธุสาธุการเยนว่าจายวเจตสาวาพุทเถกุกรามังประกตังมยาอย่างพุทโธปริการนะตุจียันตังการันตฤหสังเวริทุงวพุทเถการเยนว่าจายวเจตสาวาดัมเมกุกรมังปะกตังมยาอย่างดัมโมปริคารนะตุอจียันตังการันตฤหสังเวริทุงวดัมเม การมิกยาเยาเจสาวะสังเชกุกรรมมังปกตังมยาหยังทั้งโกคปิกันนาตวอจิยานตังการันตารสังเวธตุงวสังกิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพธธระทัฏฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมในวิชาและจรารณะผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งผู้สามารถปึกบูรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า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 ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระถาคตผู้ไม่มีปัจจัยอะไรอะไรแห่งโมหะทรงเห็นสัพพัญญุตญาณในธรรมทั้งปวงทรงไว้แล้วซึ่งที่สุดแห่งสรีละสุดท้ายทรงบรรลุโพธิญาณันยอดเยี่ยมอันกเกษมพระถถาคตผู้ทรงพระคุณเช่นนี้จึงเป็นผู้ควรส ก, การะบบูชาสาธุสาธุสาธุ อิติปิโสภาคาวารังสามบุตรวิจารณาสัมโนสุขตโรกาวิดุอนุตวามนุษสานังพุทธุมคกวัติ สวาขาโตมะข่าวตาดำสันเดติโกอาคาลิโกเอหิพาสิโกโอปานายโกภาจตังเวทิตาโอวินยุยติ สุปาติปันโนบาคาวะโตสาวะกสังโกอุจปาติปันโนบควะโตสาวะกสังโญายปติปันโนบาคาวะโตสาวะกสังโกสามีจิปาติปันโน มาคาวโตสาวกสังโกญาติทางจัตตาริโุเรสายุคาโพเรสะบุกคราสาวาคาวโตสาวกสังโกอาวุเนโยวุเนโยนาคินย อัญญริกาณิโยอนุตตรังปุญญัาตังโลกาสสติทิปิโสภคะวาระหังสัมมาสัมพุทเวจจารานาสัมปันโน คาโตรควิโดอนตารปุริสดาดมัสาราติสาวามนุสานังพุทธมะควาติสวาคาโตะควตดามานเดดิโกอกาลิก เอหิปัสสิกะโอปะนายโกจาตังเวทิตาเิญโยติสุปฏิปันโนขาวตัวสาวะกะจังโกอุยุปฏิปันโนพระาวตัวสาวะกสังโก ญา a ยปฏิปันโนทวตวะาวะตสังโฆญาดีดังจะทาริปุริสายุคานิอาตาปุริสตปุกคาราเอสัมบากวตวะตาวะตสังโฆอาหูเนยโยอาหเน กิเนยโยอังเกรกรนียโยอนุตตรังุนังโรกาสติทิพิโสปะกวาระหังมาสมบุนโดวิจาระาสัมปันโน โตกาโตลคาวิดูอนุตตรอปุริสดตามสารดิสัเดวามนุสนา낭ดมภาคาวติสวัคโตคาวตาดัมโมจันติ อาคาลิกอเอปาสิโกปนเยโกปาจจางเวตาโมวิโยอิทิสุปติปันโนวาตสาว a คาสังโฆโมจปติปันโนบาคาวต ยมีจิปฏิปันมากกวตสาวกสังโฆดีทางจัดริโพริสายุการิอาจดับริสปุกัลาเอสัมบ a กกวาตน Parami, n a m p a n n o dana. ปิโสมควางสราปารามสามปันโนสีลาอุปปารามสามปันโนสีราปรมาตาปารา สัมปันโนเมตตาไมตรกรุณาอุเบกขาปาลาสัมปันโนอิติปิสมะคะวะเนคมาปารมีโนเนคมา ปารามิปานโนเนฆามะปารมาตาปารามิปานโนเมตตาไมตริกรุณาอุเปคาปาลามิสามปัน อิติปิโสมคาวปัญญาปารามิบันโนปัญญาอุปาปารามิโนปัญญา a รมาต a ปารามิ ปัณโนเมตตาไมตริกรุณาอุเบกขาบาลามิปันโนยติปสมบัคขวสวิริยปารามิวิริยอุปาปาระมิ ปัณโนวิริยป ARAMITA PARAMI นามิโนเมตตาไมตรีกรุณห์มูทิตาอุเบกขารามิสามปันอิติปิโสมขวะคันติรามิ สัมปันโนคันติโอปปารามิสามปันโนคันติ